1. ชาพุทธเป็นนักเรียนไม่ใช่นัก ร, รมเราไปวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้เพี้ยนเราวาดภาพการปฏิบัติว่าต้องทำอะไรสิ่งที่ทำต้องเหนือธรรมดาด้วยทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ได้สิ่งที่ไม่ธรรมดาเราไปวาดภาพว่าเราจะได้อะไรสักอย่างที่วิเศษมากเลยเวลาเราทำก็ทำอะไรที่ไม่เหมือนธรรมดากะว่าจะได้สิ่งที่ไม่ธรรมดาแท้จริงหน้าที่ของเราคือเรียนเท่านั้นเอง ชาวพุดเป็นนักเรียนนะไม่ใช่นักทรรมนักเรียนชื่อมันก็บอกแล้วคําว่าในเครื่องหมายคําพูดเรียนหน้าที่ของเราก็คือเรียนไม่ใช่ทรรมสิ่งที่ได้มาจากการเรียนคือความรู้ฉะนั้นเราจะรู้ความจริงของกายของใจเราเรียนเรื่องกายเรื่องใจคอยเฝ้าสังเกตกายสังเกตใจในที่สุดก็ได้ความรู้เรื่องกายเรื่องใจว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเรา